พระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าเทวตาสั่งยุตวัคที่สองนันทนะวัคนันทนะสูตรว่าด้วยส่วนนันทนะวันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเกตกรสาวัตถีหน้าที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเร่กภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งมีเหล่านางอักษรแวดล้อมเอิบอิ่มพร่างพร้อมด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์ได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในสวนนันทนวันในเวลานั้นได้กล่าวคถานี้ว่าเทวดาเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทภผู้มียศชั้นไตรทศ เทวดาเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขภิกษุทั้งหลายเมื่อเทวดาองค์หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคถ า, าตอบเทวดานั้นว่าเทวดาผู้เเาาท่านไม่รู้จักถ้อยคําของพระอระหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระ ง, งับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขสังขารในที่นี้หมายถึงสังขารที่เป็นไปในภูมิสาคือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมินันทติสูตรว่าด้วยความยินดีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี เทวดาได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตรคนมีโคย่อมยินดีเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิคือความเศร้าหมองแห่งจิตทำให้นรชนยินดีฉะนั้นคนที่ไรอุปฏิจึงไม่ยินดีอุปธิคือความเศร้าหมองแห่งจิตมีสี่อย่าง ได้แก่กามขันกิเลสอภิสังขารในที่นี้หมายถึงกามหรือกามะคุณห้านั่นเองพระผู้มีพระภาตรัสว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้ น, นรชนเศร้าโศกฉนั้นคนที่ไรอุปธิจึงไม่เศร้าโศก นัดถิดปุตตัดสมาสูตรว่าด้วยสิ่งที่เสมอด้วยบุตรไม่มีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดาได้กล่าวคถานี้ว่าความรักเสมอด้วยบุตรไม่มีทรัพเสมอด้วยโคไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่มีแหล่งน้าทั้งหลายมีสมุดเป็นยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ความรักเสมอด้วยตนไม่มีศัพย์เสมอด้วยข้าเปลือกไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีฝนจัดเป็นแหล่งน้ำอันยอดเยี่ยมคัติยสูตรว่าด้วยกษัตริย์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดากล่าวคาถานี้ไว้ว่าบรรดาสัตว์สองเท้ากษัตริย์ประเสริฐที่สุด บรรดาสัตว์สี่เท้าโกผลิพัฒประเสริฐที่สุดบรรดาพัญญาพัญญาที่เป็นกุมารีประเสริฐที่สุดบรรดาบุตรบุตรที่เกิดก่อนประเสริฐที่สุดพระผู้มีพระภาตรัสว่าบรรดาสัตว์สองเท้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สี่เท้าสัตว์อาชาในประเสริฐที่สุด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 และความเกียจคร้านเทวดากล่าวว่าอาริยมรรคในที่นี้หมายถึงโล ก, กุตตรามรรคอริยมรรคไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ในโลกนี้เพราะความหลับความเกียจคร้านการบิดกายความไม่ยินดีและความเมาอาหารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะใช้ความเพียรกําจัดความหลับ ความเกียดร้านการบิดกายความไม่ยินดีและการเมาอาหารนั้นอริยมรรคในที่นี้หมายถึงโลกยิยะมรรคและโล ก, กุตธรรมรรคจึงบริสุทธิ์ได้ทุกขระสูตรว่าด้วยสมณธรรมที่ทำได้ยากเทวดากล่าวว่าสมณธรรมคนเมชลาทมได้ยาก อดทนได้ยากเพราะสมณธรรมนั้นมีความคับแคบมากสําหรับคนพาลที่อาศัยอยู่พระผู้มีพระภาตรัสว่าคนพาลประพฤติสมณธรรมเป็นเวลานานหากไม่ห้ามจิตเขาตกอยู่ในอํานาจแห่งความดําฤทธ์ก็จะพึงติดขัดในทุกบทผู้ติดขัดในทุกบทคือผู้ติดขัดอยู่ในอารมณ์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 เทวดากล่าวว่าคนผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยฮิริทมีอยู่น้อยในโลกภิกษุใดหลบหลีกนินทาได้ตื่นตัวอยู่เหมือนม้าชั้นดีหลบแซ่ได้ภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยพระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุเหล่าใดผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริ คือความละอายต่อบาปหรือความชั่วมีสติประพฤติ ร, รมอยู่ทุกเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์คือบรรลุนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งวัตฏทุกย่อมดำเนินไปอย่างสม่าเสมอในที่ที่ไม่สม่าเสมอภิกษุเหล่านั้นมีอยู่น้อยกุติกาสูตรว่าด้วยกระท่อม เทวดาทูลถามว่าท่านไม่มีกระท่อมไม่มีรังไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าแน่นอนเราไม่มีกระท่อมเราไม่มีรังเราไม่มีผู้สืบสกุลเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วเทวดาทูลถามว่ากระทอมที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไร รังที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรผู้สืบสกุลและเครื่องผูกที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรพระผู้มีพระภาทตรัสตอบว่ากระทอมที่ท่านกล่าวกับเราคือมารดารังที่ท่านกล่าวกับเราคือพัญญาผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราคือบุตรเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราคือตันหา เทวดากล่าวว่าดีจริงท่านไม่มีกระท่อมไม่มีรังไม่มีผู้สืบสกุลท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วเมิทธที่สูตรว่าด้วยพระสมิธิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตโปทารามเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระสมิทธิลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ไปที่แม่น้ำตับโธทาเพื่อส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นมามีจีวรผืนเดียวหมายถึงนุ่งสบงผูประกดเอวเรียบร้อยแล้วยืนถือจีวรไว้ได้ยืนรอให้ตัวแห้งอยู่ครั้นเมื่อราตรีผ่านไปคือปฐมมยามผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักแป่งรัศมีให้สว่างทั่วแม่น้ำตับโธาเข้าไปหาท่านพระสมิทธิ ถ, ทถึงที่อยู่ แล้วยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวกับท่านพระสมิทธิด้วยคาถาว่าพิกษุท่านไม่บริโภคแต่ยังขออยู่ท่านบริโภคแล้วก็ต้องไม่ขอเลยพิสุท่านบริโภคแล้วจงขอเถิดการอย่าได้ล่วงท่านไปเลยการในที่นี้หมายถึงเวลาที่ยังเป็นหนุ่มสาวควรแก่การเสบเมถุน ท่านพระสมิธิีกล่าวว่าข้าพเจ้ายัางไม่รู้จักการเลยเพราะการถูกปกปิดอยู่ยังไม่ปรากฏฉะนั้นถึงข้าพเจ้าไม่บริโภคแต่ก็ยังขออยู่การอย่าได้ล่วงข้าพเจ้าไปเลยครั้งนั้นเทวดานั้นลงมายืนอยู่ที่พื้นดินแล้วได้กล่าวกับท่านพระสมิธิว่าภิกษุท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดาสนิท อยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญไม่เพลิดเพลินในกามทั้งหลายขอท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์เถิดอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามการเลยการข้อหลังนี้หมายถึงเวลาสำหรับบาเพ็ญสมณธรรมท่านพระสมิตีกล่าวว่าเทวดา ข้าพเจ้ามิได้ละ ก, กามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามอันมีอยู่ตามกาลเลยข้าพเจ้าละ ก, กามอันมีอยู่ตามกาลแล้ววิ่งไปหาธรรมะที่เห็นเฉพาะหน้ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามกาลพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักธรรมะนี้เป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติ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 ธรรมะนี้เป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูขวรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนนั้นเป็นอย่างไรท่านพระสมิธีกล่าวว่าเทวดาข้าพเจ้าเองเป็นพระบวชใหม่บวชมาไม่นานพึงมาสู่พระธรรมวิไนนี้ข้าพเจ้าไม่อาจจะบอกท่านโดยพิสดารได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นาตโธทารามเขตกรุงราชกฤตท่านสงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามข้อความนั้นเถิดตึงจำข้อความนั้นตามที่พระองค์ทรงเฉลยเถิดเทวดากล่าวว่าภิกษุพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทั้งหลายเหล่าอื่นแวดล้อมอยู่พวกข้าพเจ้าจะไปเข้าเฝ้าไม่ได้ง่ายนัก หท่านเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้แม้พวกข้าพระเจ้าก็จะมาฟังถามด้วยท่านพระสมิทธิ์ทรับคําของเทวดานั้นแล้วเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลถึงเรื่องที่สนทนากับเทวดาแด่พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกเทวดานั้นด้วยคาถาทั้งหลายว่า สัตว์ทั้งหลายมีความรู้ในสิ่งที่เรียกขานหมายถึงชื่อที่ใช้เรียกขันห้าในลักษณะต่างๆมีเทวดามนุษย์สัตว์บุคคลเป็นต้นติดอยู่ในสิ่งที่เรียกขานหมายถึงติดอยู่ในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยอาการ8คือราคะโทสะโมหะทิฏฐิอนุสัย มานกวิจิกิจชาอุทธจักสัตว์ทั้งหลายมีความรู้ในสิ่งที่เรียกขานติดอยู่ในสิ่งที่เรียกขานไม่กําหนดรู้สิ่งที่เรียกขานจึงตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความตายส่วนภิกษุกําหนดรู้สิ่งที่เรียกขานแล้วหมายถึงกําหนดรู้ด้วยปริญญาสามประการคือยาตะปริญญาติรณะปริญญาปานะปริญญา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 บุคคลใดถือตัวว่าเราเสมอเขาเราเลิศกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขาบุคคลนั้นก็พึงทะเลาะ ก, กับเขารอบความถือตัวนั้นบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวในความถือตัวทั้งสามนั้นย่อมไม่มีความถือตัวว่าเราเสมอเขาเราเลิศกว่าเขาหรือเราด้อยกว่าเขายักษ์ถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิด เทวดากราบทูลว่าไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความและขอประธานวโรกาสให้ตรัสแสดงโดยพิสดารพระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้ว่าบุคคลละบัญญัติได้แล้วไม่เข้าถึงวิมานวิมานมีสองความหมายคือมานะและคันมานดาตัดตัณหาในนามรูปนี้ได้แล้วเทวดาและมนุษย์ในโลกนี้หรือในโลกอื่น ในสวรรค์หรือในสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกจำพวกถึงจะเที่ยวค้นหาก็ไม่พบบุคคลนั้นผู้ตัดกิเลสเครื่องผูกได้แล้วไร้ทุก์หมดความกระหายบุคคลไม่ควรทำบาปทางกายทางวาจาหรือทางใจทางใดทางหนึ่งในโลกทั้งปวงอยากถ้าท่านรู้ชัดก็จงบอกมาเถิด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 ไม่พึงสวยทุกอันประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จบวรที่สองนันทนาวร